อนาปฏิวันพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ191 1งรก้าพิสูและพิกษุณีโดยสารเรือข้ามฟ้า2อพิสูตและพิกษุนีไม่ได้ชักชวนกันโดยสารเรือ3าพิสูตไม่ได้ชักชวนแต่พิกษุณีชักชวน4ีพิกูตและพิกษุณีโดยสารเรือโดยไม่ได้นัดหมายกัน5้พิกูตและพิกษุนีไปในคราวมีเหตุขัดข้อง 6. กพิกษุวิกฤตจริตเจพิกูตต้นบัญญัติ นาวาพิรูหนาสิกาบทที่8ดจบ